ศีลคือภาชนะทองรองรับธรรมะการรักษาศีลท่านทั้งหลายก็ได้สมทานศีลห้ามาแล้วทุกๆ ท, ท่านเมื่อสมทานศีลห้าแล้วกายและ ว, วาจาของท่านก็เป็นกายและ ว, วาจาที่สะอาดปราศจากโทษ นับจำเดิมตั้งแต่เวลาที่ท่านสมาทานศีลเป็นต้นมาดังนั้นทุกๆ ท, ท่านจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในทางร่างกายและวาจาในเมื่อมีความสะอาดกายและวาจาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วร่างกายของท่านก็ดีจิตใจของท่านก็ดีจึงเป็นเสมือนหนึ่งภาชนะทองสิ่งที่สมควรจะรองรับธรรมะอันบริสุทธิ์สะอาด ของพระพุทธเจ้า